มีใครอยากจะถามอะไรไหมมาจากที่ไหนบางเฉลเคยมาค่ะบของสายอะไรรึปะถามได้ ความสบายใจอยู่ที่ความไม่มีอะไรในใจเราพอมีอะไรในใจเราใจเราก็ไม่สบายขึ้นมาเพรเรื่องที่เราคิดแต่ละเรื่องมันเป็นเรื่องไม่สบายใจทั้งนั้ น, นะนพระพุทธเจ้ า, าสอนให้พวกเรามาหยุดคิดกันเวลาเราหยุดคิดแล้วเราจะมีความรู้สึกสบายใจ เรื่องราวที่เราคิดนี่แหละที่ทําให้เราไม่สบายใจกันคิดถึงเงินทองก็ไม่สบายใจนะเจะพอใช้หรือเปล่าคิดไปเดี๋ยวก็ต้กังวลมีก็กังวลว่าจะจะหมดไปหรือเปล่าจะหายไปหรือเปล่ามีข่าวธนาคารแจ้งขึ้นมาทักธนาคารหนึ่งก็ไม่สบายใจนะ เขาเียนี้ไม่รับประกันเงินฝากนะเร า, าคิดถึงเรื่องราเหล่านี้ก็ไม่สบายใจคิดถึงใครก็ไม่สบายใจก็ห่วงเขาขังวนไ ม, ม่ตกกลัวกลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาหรือเปล่าเนย<อ>ความไม่สบายใจทั้งหมดเนี่ยเกิดจากตัวเราเองตัวเราไปคิดถึงเรื่องต่างๆ คิดไม่เป็นคิดไม่ถูกถ้าคิดต้องคิดให้เป็นคิดแล้วให้สบายใจก็ได้แต่เราคิดแบบสบายใจไม่เป็นกันเราคิดแล้วทำให้เราไม่สบายใจดงั้นเราต้องมาหัดหยุดคิดกันก่อนถ้าเราหยุดคิดได้ชั่วคราวเวลาเราไม่คิดถึง เรื่องเงินทองไม่คิดถึงเรื่องของคนนั้นคนนี้ความไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเกี่ยวกับเรื่องของคนนั้นคนนี้ก็จะหายไปแต่มันจะหายเพียงชั่วขณะที่เราไม่คิดพอเรากลับมาคิดใหม่ก็จะไม่สบายใจขึ้นมาใหม่พอเรารู้จักหยุดคิดแล้วขั้นต่อไปเราก็สามารถสอนใจให้เราคิด ไปในทางที่สบายใจได้เพราะเวลาที่เราหยุดคิดนี้เราจะได้พบกับความสบายใจโดยที่เราไม่ต้องมีอะไรเวลาเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบหยุดคิดนี้ใจจะมีความสุขมากเรื่องของความสบายใจไม่สบายใจนี้ อยู่ที่ตัวเราเองสร้างขึ้นมาเองสร้างด้วยความคิดของเราเราชอบคิดไปในเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจกันคิดถึงเงินทองคิดถึงคนนั้นคนนี้เราก็ไม่สบายใจเพราะว่าเรากังวลว่าเงินทอง ที้เรามีอยู่นี่มันจะพอใช่หรือไม่มันจะมีมาเรื่อยๆหรือไม่หรือว่ามันจะหมดไปหรือเรื่องของคนนั้นคนนี้ก็เหมือนกันเราก็ห่วงเขากังวลกลัวเขาจะอยู่กับเราหรือเปล่าเขาจะไม่อยู่หรือเปล่าเป็นความคิดที่ทำให้เราไม่สบายใจกันถ้าเราหยุดคิดความคิดเหล่านี้ได้ ความไม่สบายใจก็จะหายไปนั่นคือสาเหตุของการที่เรามาฝึกนั่งสมาธิกันมาหยุดความคิดกันเวลาเราหยุดความคิดแล้วใจเราจะสบายมีความสุขความสุขของใจนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทองไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ขึ้นอยู่ที่ความสงบอยู่ที่ความ ความไม่คิดอะไรเราสามารถหยุดความคิดได้แต่มันหยุดไม่ได้ตลอดเวลาแต่ก็หยุดได้เป็นพักๆเช่นถ้าเราฝึกนั่งสมาธิเราก็จะสามารถนั่งได้ทีละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วแต่กำลังของสติที่ใช้ในการควบคุม หยุดความคิดถ้าใครมีสติดีๆนี้บางทีเข้าสมาธิได้เป็นวันเลย<ม>พวกา ล, ลือสีนี่เขาเข้าฌานทีละเจ็ด ว, วันสิบห้าวัน<ม>เวลาเขาไม่ต้องอยู่ในสมาธิเขาไม่กินข้าวไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แต่เขากลับมีความสุขมากกว่า ได้ไปทำอะไรต่างๆอย่างที่พวกเราทำกันอยู่แต่เขาก็ต้องออกมาเพราะว่าร่างกายก็ต้องการอาหารต้องการน้าต้องการอะไรก็ต้องออกมาแล้วก็พอออกมาถ้าเขาไม่ควบคุมความคิดเดี๋ยวเขาไปคิดเรื่องเดิมก็ทำให้ไม่สบายใจขึ้นมาได้ แต่ถ้ามีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปพระพุทธเจ้าจะรู้จักวิธีคิดแล้วทําให้เราสบายใจเราคิดแบบให้เราสบายใจก็ได้แต่เราคิดไม่เป็นกันมีพระพุทธเจ้าที่รู้จักวิธีคิดคิดแล้วทําให้เราสบายใจคือเราต้องคิดตามความความเป็นจริงแต่เราไม่ค่อย กล้าคิดกันกลัวกันความจริงคืออะไรก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆของบุคคลต่างๆนีเ่เราไม่ยอมมองความจริงกันกลัวความจริงอันนี้กันเพราะเรายัางต้องพึ่งสิ่งต่างๆเราก็เลยไม่อยากจะให้สิ่งต่างๆที่เราพึ่งนี้ ไม่แน่นอนเราอยากให้สิ่งต่างๆที่เราพึ่งนี้แน่นอนแต่มันขัดกับความเป็นจริงสิ่งต่างๆที่เราพึ่งนี้มันไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองไม่ว่าจะเป็นบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราเองมันไม่แน่นอนเวลาที่มันอยู่มันดีเราก็มีความสุขกัน แต่เวลามันไม่ดีมันไม่เช่นร่างกายไม่สบายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือของคนอื่นพอไม่สบายแล้วมันก็ไม่ดีทำให้ใจเราไม่มีที่พึ่งไม่สามารถหาความสุขจากร่างกายได้จากร่างกายของเราจากร่างกายของคนนั้นคนนี้จากสิ่งของต่าง สิ่งของของต่างๆที่เรามีอยู่มันก็ไม่แน่นอนบางทีมันก็อยู่บางทีมันก็ไม่อยู่นี่แหละคือความไม่แน่นอนมันทามันจะทำให้ใจเราไม่สบายกันเพราะเราไปพึ่งสิ่งที่ไม่แน่นอนกันเราไปพึ่งเงินทองไปพึ่งคนนั้นคนนี้พึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ความสุขกับเราแต่ถ้าเรามา ฝึกหยุดคิดได้เราจะพบว่าเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเงินทองไม่ต้องพึ่งคนนั้นคนนี้ไม่ต้องพึ่งร่างกายเพียงแต่ทําใจให้หยุดคิดทําใจให้สงบเราก็มีความสุขแ ล, แล้วคนอื่นจะเป็นอะไรเงินทองจะเป็นอะไรสิ่งอื่นๆจะเป็นอะไรนี่มันไม่มาเกี่ยวข้องกับความสงบของเราเลย ไม่มาเกี่ยวข้องกับความสุขของเราเลยถ้าเราสามารถหยุดความคิดได้แล้วเราก็จะสามารถคิดไปในทางที่เป็นความจริงได้เพราะเราจะไม่กลัวมันละแล้วคิดแล้วจะทําให้เราปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เราไปหลงยึดติดไปหลงพึ่งให้เป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเราก็จะเห็นว่า เงินทองนี้มเป็นสิ่งที่ไม่น่าพึ่งพาอาศัยเพราะมันไม่แน่นอนอบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ก็ไม่แน่นอนร่างกายของเราเองก็ไม่แน่นอนอของทุกอย่างนี้จะต้องมีวันจบอพอร่างกายนี้จบแล้วอของที่เรามีมันก็จบหมดข้าวของเงินทองบุคคลต่างๆ ที่เรามีก็เราไม่สามารถที่จะไปครอบครองไปใช้เขาให้ความสุขกับเราได้แล้วแต่ถ้าเรามีความสงบมีความสุขในตัวเราเนี่ยเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะไม่กลัวความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆถ้าเราเลิกพึ่งสิ่งต่างๆ ถ้าเรามีความสุขในตัวเราแล้วความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แล้วเราจะเลิกพึ่งสิ่งอื่นๆได้เราจะเลิกพึ่งเงินทองได้เลิกพึ่งบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ได้เลิกพึ่งร่างกายของเราได้เราก็จะไม่กลัวเวลาที่เราคิดถึงเรื่องเงินทองคิดถึงเรื่องคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราจะ คิดว่าเขาเป็นสิ่งที่เราพึ่งไม่ได้ เ, เขาเป็นสิ่งที่ไม่ไมแน่นอนเราก็เลยไม่ไปหวังอะไรจากเขาพอเราไม่ไปหวังอะไรจากเงินทองไม่ได้หวังอะไรจากคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เขาจะเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนนะพอเราไม่เดือดร้อนเราจะคิดเรื่องไหนเราก็ไม่เดือดร้อนคิดถึง เศรษฐกิจคิดถึงสงครามคิดถึงอะไรมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของโลกที่มันมีอยู่เรื่อยๆเหมือนดินฟ้าอากาศเดี๋ยวก็มีสงครามเดี๋ยวก็มีสันติภาพเดี๋ยวก็มีเศรษฐกิจเพื่อเรื่องฟูเดี๋ยวก็มีเศรษฐกิจซบเซามี มีการอดอยากขาดแคลนมีความทุกข์ยากลำบากแต่จะมีอะไรก็ตามเราจะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเพราะเรามีที่พึ่งใหม่ที่ดีกว่าก็คือความสุขที่ได้จากความสงบความสุขที่เกิดจากการหยุดคิดนี่เอง ทุกครั้งที่เราคิดเราก็จะคิดว่าไม่มีอะไรที่แท้แน่นอนในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เราจ ะ, จะไปพึ่งพาอาศัยได้อย่างแท้จริงมีสิ่งเดียวที่เราพึ่งพาอาศัยได้ก็คือความความสงบของเรานี่เองการหยุดคิดของเรานี่นี่คือความสุขใจของเรานี้อยู่ที่ตัวเราเอง ความไม่สบายใจก็อยู่ในที่ตัวเราเองอยู่ที่เราไปพึ่งสิ่งต่างๆโดยไม่รู้สึกตัวว่าไปพึ่งสิ่งที่พึ่งไม่ได้พึ่งได้ชั่วคราวทุกอย่างที่เราพึ่งอยู่ตอนนี้มันเป็นของชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองไม่ว่าจะเป็นบุคคล น, นั่นบุคคล น, นี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราเอง มันเป็นของชั่วคราวมันมันมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมแล้วเราก็ไม่สามารถไปสั่งมันได้ให้มันเจริญอย่างเดียวไม่ให้มันเสื่อมพวกเราอยากให้เจริญในลาบยศสรรเสริญสุกันใช่ไหมมีใครไม่อยากให้เจริญในลาบยศสรรเสริญสุกกันบ้างแต่ไปสั่งมันให้มันเจริญได้ตลอดเวลาปะ เวลามันจะเสื่อมมันก็เสื่อมะบางทีเงินทองก็ไม่พอใช้ขึ้นมานี่ก็เสื่อมนะบางทีก็สูญเสียตําแหน่งไปหมู่นี้ได้ยินข่าวบ่อยๆฉะนั้นถูกปลดกันด้วยตําแหน่งทั้งพระทั้งโยมเนี่ยก็ เ, เรียเสื่อมยศแล้วก็สารเสวนก็เสื่อม จากสรรเสริญก็กลายเป็นคาลหานินทาสุขก็เลยกลายเป็นทุกข์ไปพระพุทธเจ้าสอนว่าเราต้องรู้เข้าใจเรื่องของโลกกะระทำคือราบยศสรรเสริญสุขว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีเจริญมันต้องมีเสื่อมได้มีเจริญได้ก็เสื่อมได้ มีเจริญราบป็เสริมลาบได้มีเจริญยศก็เสริมยศได้มีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์สลับกันไปผู้ที่จะสามารถอยู่เหนือความเสื่อมของราบยศสรรเสริญสุขได้ก็คือผู้ที่ไม่พึ่งราบยศสรรเสริญสุขนี่เองถ้าเราพึ่งเราก็จะเดือดร้อนเวลาที่เราพึ่งเขาไม่ได้แต่ถ้าเราไม่พึ่งเขา เขาเป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนยกตัวอย่างคนที่เป็นโสดเขาไม่ต้องพึ่งสามีภรรยาใช่ ห, หมนะสามีภรรยาเป็นอะไรเขาก็ไม่เดือดร้อนเพราะเขาไม่มีสามีไม่มีภรรยาเขาไม่ได้พึ่งสามีไม่ได้พึ่งภรรยาเขาพึ่งตัวเขาเองพวกที่อยู่คนเดียวนี่ก็ต้องอาศัยความสงบนี่แหละเป็นที่พึ่ง อยู่ตามลำพังแล้วไม่ไม่รู้สึกเหงาว่าเวเวลาเหงาก็ทําใจให้สงบนั่งสมาธิไปเห็นไหมผู้ที่มาบวช น, นี้เขาก็ไม่มีสามีไม่มีภรรยาเขาไม่มีที่พึ่งภายนอกเขารู้ว่าที่พึ่งภายนอกนี้มันพึ่งไม่ได้ราบยศรสรรเสินสุขนี่พึ่งไม่ได้เขา พบว่าเได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าว่าเราพึ่งตัวเราเองได้เราพึ่งความสงบพึ่งความสุขที่เกิดจากความสงบได้ถ้าเราทําใจให้สงบได้เราจะมีความสุขและก็เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญสุข mm hmm. นี่แหละถ้าเรามา เปขัดมาหยุดความคิดได้มานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้เราจะได้ที่พึ่งอันใหม่ที่พึ่งที่ดีกว่าที่พึ่งที่เรามีกันอยู่ตอนนี้แล้วเราก็จะเลิกพึ่งสิ่งต่างๆที่เรากําลังพึ่งอยู่นี้ได้ mm hmm. ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านไปบวชท่านก็เป็นเหมือนพวกเราท่านก็พึ่งลาบยศสรรเสริญสุขเหมือนกัน ท่านพึ่งความสุขจากการเป็นพระราชโอรสมีปราสาทสามฤดูมีเครื่องโมโหศพบันเทิงมีอาหารเครื่องดื่มอะไรทุกรูปแบบมียศมีทรัพย์มีคนคอยสรรเสริญแต่ท่านกลับเห็นว่ามันทุกข์ เพราะว่ามันไม่แน่นอนเพราะท่านไปเห็นว่าวันหนึ่งท่านจะต้องแก่วันหนึ่งท่านจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยวันหนึ่งท่านจะต้องตายพอเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยท่านก็เลยเกิดความเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดเห็นว่าอ๋อสิ่งที่เรากาลังความสุขที่เรากำลังมีอยู่นี่ ไม่ไม่นานต่อไปมันก็จะต้องหมดเวลาเราแก่เราก็จะไม่สามารถทำอย่างที่เราทำอยู่ได้ในตอนที่เรากำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือถ้าไม่ไม่แก่ก็เดี๋ยวเกิดมีสงครามมีอะไรก็อาจจะถูกเขาโค่นบัลลังก์ก็ได้ <c oughs> มีอะไรหลายอย่างที่มันไม่แน่นอน พระพุเจ้าก็เลยเห็นความไม่แน่นอนของลาบยศ ส, สารสันสุขก็เลยบอกว่าไปหาอะไรที่แน่นอนกว่าก็ไปเห็นนักบวชก็เลยรู้ว่านักบวชนี่เขาเป็นผู้แสวงหาอาที่พึ่งที่แน่นอนที่พึ่งที่เกิดจากการบํเาเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปอยู่รักษาศีล เพราะการทำบาปทำอะไรผิดนี่มันทำให้ใจเราวุ่นวายทำให้ใจเราทุกข์แล้วก็ไปควบคุมใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วก็จะมีความสุขแล้วพอออกมาจากสมาธิก็สอนใจว่าเลิกพึ่งสิ่งต่างๆได้แล้วพึ่งไม่ได้พึ่งได้สิ่งเดียวก็คือความสงบนี่เองความสุขที่ได้จากความสงบ ทุกครั้งเวลาที่อยากจะกลับไปพึ่งคนนั่นคนนี้พึ่งเงินทองพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ปัญญาก็จะมาบอกว่ามันเป็นทุกข์นะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนน ะ, อ, ะอยู่กับความสงบนี้ดีกว่าความสงบนี้ถ้าเรารู้จักทำขึ้นมาแล้วเราก็สามารถทำมัตได้อยู่เรื่อยๆต้องการความสงบเมื่อไหร่เราก็สามารถทำได้แล้วถ้าเรา ฝืนความอยากได้ต่อไปความอยากก็จะหมดจะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจเราแล้วเราจะไม่มีความทุกข์เลยที่เราทุกข์กันก็เพราะความอยากนี่แหละพอคิดถึงเรื่องราบยศสารเสรนก็เกิดความอยากให้มันเจริญอย่างเดียวอยากไม่ให้มันเสื่อมคิดถึงใครก็คิดแบบนี้ทั้งนั้นคิดอะไรก็อยากให้เจริญอย่างเดียวไม่อยากให้เสื่อม เราคิดอย่างนี้มันก็ไม่สบายใจพอเห็นมันไม่เจริญพอเห็นมันมันเสื่อมก็ไม่สบายใจแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันเจริญปล่อยมันไปตามความเป็นจริงมันเจริญก็เรื่องของมันมันจะเสื่อมก็เรื่องของมันเราอย่าไปพึ่งมันก็แล้วกันเราอย่าไปมีมันก็แล้วกันเราสามารถอยู่โดยที่ไม่มีอะไรได้พระพุทธเจ้าสามารถสละราชสมบัติได้ สละครอบครัวได้สละยศได้สละทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์เคยพึ่งแล้วก็ไปหาที่พึ่งอันใหม่ก็คือไปทำใจให้สงบต้องไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวในป่าในเขาเพราะการทำใจให้สงบนี่มันต้องอยู่ห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆห่างไกลจากลาบยศสรรเสริญห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ พราเวลาอยู่ใกล้มันอดไม่ได้เใช่ไหมเวลาอยู่ใกล้ตู้เย็นเนี่เดี๋ยวมันอดไม่ได้เดี๋ยวก็อยากจะเปิดพอเปิดเห็นเครื่องดื่มเห็นขนมเดี๋ยวก็หยิบออกมากินทั้งๆ ท, ที่ร่างกายมันบอกพอแล้วน้ําหนักเกินแล้วแต่ใจ ม, มันไม่ฟังความอยากมันไม่ฟังใครใช่ไหม ยังต้องไปอยู่ไกลๆไปอยู่ที่ไม่มีตู้เย็นไม่มีอะไรให้เราเปิดเนี่ยไปอยู่วัดเนี่ยวัดปฏิบัติเขาจะไม่มีอะไรเี่ยในห้องพักนี้ไม่มีอะไรมีแต่มีแต่ที่หลับนอนมีเสื่อมีหมอนเพื่อจะได้นั่งสมาธิกันมาหาความสุขจากการนั่งสมาธิกันมาสร้างความสุขในรูปแบบใหม่ วิธีที่จะทำใจให้สงบ ก, ก็ต้องมีอะไรกํากับใจนั่งสมาธิอย่านั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วเฉยๆเดี๋ยวใจมันสร้างภาพมาหลอกมาหลอนเราที่คนนั่งสมาธิแล้วเป็นบ้าก็เพราะไม่มีอะไรกํากับใจนั่งแล้วปล่อยให้ใจมันหลอกมันหลอนสร้างภาพหลอกเราแล้วเราก็หลงเชื่อมันกลายเป็นวิปัสสนูไปเมื่อวันก่อนไม่ทราบี มีคนหนึ่งก็ไปนั่งสมาธิกลับมาเขาบอกก็เห็นพระพุทธเจ้าหรือเห็นอะไรไม่ทราบก็ เ, เลยคิดว่าเขาเป็นพระพุทธเจ้าเขาไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องกินน้ําเขาก็เลยไม่กินข้าวไม่กินน้ําจนคนในบ้านนี่เดือดร้อนกวาดกลัวกันไปหมดนี่แหละมันนั่งแบบนี้มันนั่งแบบนั่งให้เป็นบ้า เขาไม่รู้ว่านั่งเพื่ออะไรก็ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเขาว่าเห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นแบบแบบที่เขาเห็นคือเขาเห็นเป็นภาพหลอกขึ้นมาภาพที่เขาคิดเข้มว่าโอ้ข้าพเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าหมายถึงว่าการที่จะเห็นพระพุทธเจ้าก็คือเห็นใจของพระพุทธเจ้าที่สงบเวลานะั้นเรานั่งสมาธิใจเราสงบแล้วเราก็จะเห็น ว่าใจของเรากับใจของพระพุทธเจ้านี่เหมือนกันเข้ mm. ใจไหม mm. ไม่ได้เห็นตัวพระพุทธเจ้าหรอก mm. ตัวพระพุทธเจ้าท่านร่างกายท่านมรณะไปหมดแล้วกลายเป็นพระาธาตุไปแล้ว mm. แต่ใจของท่านเนี่ยสงบมีความสุข mm. เวลาเรานั่งสมาธิแล้วใจเราสงบมีความสุขเราก็จะรู้ว่าอ๋อใจของพุทธเจ้าเป็นแบบนี้เ mm. ตอนนี้เราเห็นแล้ว ถ้าเห็นแบบนี้มันจะไม่มันไม่มีปัญหาเพราะว่าใจเรามีความสุขมีความสบายเรามีเหตุมีผลเราก็รู้ว่าอันนี้เป็นเรื่องของใจเรื่องของร่างกายเราก็ต้องดูแลมันเหมือนเดิมเข้าใจไหมร่างกายมันก็ยังเป็นคนเหมือนเดิมเป็นธาตุสี่มีเป็นอาการสามสิบสองเหมือนเดิมยังต้องกินข้าวยังต้องดื่มน้ํายังต้องทําอะไรเหมือนเดิม ที่เปลี่ยนไปนั้นคือใจของเราใจที่วุ่นวายใจที่หิวโหยกลายเป็นใจที่ไม่วุ่นวายใจที่สงบใจที่อิ่มเอิบใจไม่หิวอะไรถึงแม้ไม่อยากจะกินอาหารตัวใจไม่อยากจะกินแต่ถึงเวลาก็ต้องให้ร่างกายกินถ้ายังต้องดูแลรักษาร่างกายอยู่ก็กินอาหารเหมือนกินยาไป ไม่ได้กินอาหารแบบกินเพื่อให้เกิดความสุขใจเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนใจไม่มีความสุขก็เลยต้องหาความสุขจากการกินอาหารกันก็เลยกินมากเกินไปนะเพราะทุกครั้งกินแล้วมันมีความสุขแต่มันสุขเดียวเดียวสุขไปชั่วโมงสองชั่วโมงอยากกินอีกนะกินยจงกระทั่งร่างกายมันกลายเป็นตุ่มนะพองขึ้นมา นี่เป็นเพราะว่าใจมันหิวแต่ถ้าใจอิ่มแล้วมันจะไม่ก็อยากกินอะไรแต่ก็ยังกินอยู่เมื่อถึงเวลาต้องกินเพราะว่าร่างกายมันก็มีอาการหิวเหมือนอาการไม่สบายก็ต้องกินยาพอร่างกายหิวพอให้อาหารความหิวนั้นก็หายไปแต่ใจไม่ได้มีความสุขหรือทุกข์กับการหิวหรือการอิ่มของร่างกาย ใจก็ยังสุขเหมือนเดิมถ้าใจสงบนี้ใจจะสงบใจจะสุขใจจะสุขไปเรื่อยๆมีสิ่งที่จะมาทําลายความสุขความสงบของใจก็คือความอยากาต่างๆนี่ที่เรายังมีอยู่ยังติดดิดสาซอยู่ยังอยากได้ลาบยศสารเสริญสุขยังอยากให้ลาบยศสารเสริญสุขจเจริญไม่อยากให้มันเสื่อม กานนี้ะที่เราต้องมาแก้หลังจากที่เราได้สมาธิแล้วได้ทำใจให้สงบแล้วเวลาเราออกจากสมาธิานี้มันยังอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยู่เราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนว่าลาบยศสรรเสริญนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข mm hmm. เพราะว่าถ้าเราไปพึ่งมันนี้มันจะทำให้เราไม่สบายใจแล้วเพราะเวลามันพึ่งไม่ได้มันมีโอกาสที่มันจะพึ่งไม่ได้ พอเราเพ่งแต่คิดว่าพึ่งไม่ได้เราก็จะไม่สบายใจแล้วแต่ถ้าเราเลิกพึ่งมันเราก็จะไม่เดือดร้อนมันจะพึ่งได้ไม่พึ่งไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้เราพึ่งความสงบเพียงอย่างเดียวก็พองั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือสร้างที่พึ่งใหม่ขึ้นมาพอได้ที่พึ่งใหม่แล้วเราก็ทิ้งที่พึ่งเก่าได้เหมือนถ้าเราอยากจะเลิกกับแฟนเราก็หาแฟนใหม่ก่อน พอเราได้แฟนใหม่แล้วแฟนเก่าก็ทิ้งได้อย่าไปทิ้งตอนนี้ยังไม่มีแฟนใหม่เดี๋ยวทิ้งก็แล้วเราอยู่คนเดียวเหงาเนี่ยที่ให้มานั่งสมาธิกันเพื่อมาสร้างที่พึ่งใหม่มาสร้างที่พึ่งแทนที่พึ่งเก่าที่พึ่งเก่าของเราคืออะไรก็คือราบย่นสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ต้องพึ่งตาหูจมูกลิ้นกายร่างกาย แต่พอเราได้ที่พึ่งใหม่ได้ความสงบเราก็ไม่ต้องพึ่งลาบยศสรรเสริญไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิกก่นไม่ต้องพึ่งตาหูจมูกเล้งกาย<ม>เงินทองจะหายไปก็ไม่เดือดร้อน<ม><ม>เพราะไม่ต้องใช้คนที่คนที่เขามีความสุขทางใจนี้เขาไปบวชกันได้เขาไปอยู่โดยที่ไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญ ส, สุขได้ เขาอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วร่างกายของเขาจะแก่จะเจ็บ ต, ตายเขาก็ไม่เดือดร้อนเพราะเขาไม่ต้องพึง่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้ว mm hmm. แต่เวลาเกิดความอยากที่ยังไม่ได้รับ ก, การกำจัด mm hmm. พอมันโผล่ขึ้นมา mm hmm. ก็ต้องรีบทำลายมันเพราะถ้าไม่ทำลายมันเดี๋ยวมันก็พาให้เรากลับไปพึ่งของเก่าได้ เราต้องเตือนใจว่าของเก่าไม่ดีราบยศสารเสริญสุขไม่ดีเพราะมันไม่เที่ยงเราควบคุมมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้สั่งให้มันอยู่กับเราสั่งให้มันเจริญนี่ไม่ได้บางทีมันก็เจริญบางทีมันก็เสื่อมพอมันไม่เจริญพอมันเสื่อมก็ทำให้เราวุ่นวายใจพอเราเห็นว่าออการกลับไปพึ่งราบยศสรเสิญนี่มันจะทาใหเราทุกข์ไม่ใช่ทาใหเราสุข เราก็ตัดมันตัดมันไปทุกครั้งอยากอะไรก็ตัดมันไปอยากดูอะไรก็ตัดมันไปอยากจะฟังอะไรก็ตัดมันไปอยากจะดื่มอยากจะรับประทานอะไรก็ตัดมันไปไม่ทำตามมันพอเราไม่ทำตามต่อไปมันก็ไม่มันก็ไม่เกิดเหมือนคนที่จะเลิกบุหรี่เนี่ยเวลาอยากจะสูบบุหรี่ก็อยากไปสูบมันพอไม่ไปทุกครั้งที่อยากไม่ไปสูบอยากจะสูบแล้วไม่สูบนี่เดี๋ยวไม่กี่ครั้งมันก็หายไป แล้วก็กลายเป็นคนที่ไม่ติดบุหรี่นะอย่างพวกเรานี่ไม่ติดบุหรี่แล้วสบายไม่อยู่เฉยเฉไม่ต้องคิดถึงเรื่องบุหรี่นะแต่ถ้าติดบุหรี่เดี๋ยวมนันต้องคิดแล้วเดี๋ยวชั่วโมงสองชั่วโมงก็ต้องคิดถึงบุหรี่แล้ว <c oughs> แล้วพอไม่ได้สูบเครื่องหงุดหงิดลำคาญใจแต่ถ้าเราฝืนอยากไปทําตามความอยากได้ทุกครั้งที่อยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบทุกครั้งที่อยากจะสูบ ก, ก็ไม่ไม่สูบไม่กี่ครั้ง เดี๋ยวก็หายไปความอยากจะหายได้ด้วยการที่เราไม่ทําตามความอยากเท่านั้นถ้าเราทําตามความอยากมันจะไม่หายแต่พวกเราตอนนี้ชอบทําตามความอยากกันเพราะเวลาเกิดความอยากแล้วมันหงุดหงิดมันไม่สบายใจอยากจะกินอะไรนี่ถ้าไม่ได้กินแล้วมันไม่สบายใจพอได้กินแล้วมันหายมันโล่โลงมันสบายใจขึ้นมาก็เลยคิดว่า การทำตามความอยากนี้เป็นการสร้างความสุขให้กับใจแต่มันเป็นความสุขปลอมพราะเป็นความสุขที่ทำให้เราติดเหมือนยาเสพติดนั่นเองพอเวลาที่เราไม่ได้เสพเวลาเราอยากแล้วเราไม่ได้ทำไม่ได้ทำตามความอยากนี่มันจะทุกข์มากแต่ถ้าเราแก้ด้วยวิธีไม่ทำตามความอยากยอมทุกข์ทุกข์ไม่นานเหมือนกับการที่เรามีหนาอยู่ในเท้าเนี้ย ถ้าเราไม่ดึงมันออกไม่พาน้ําออกเวลาเดินมันก็เจ็บไปเรื่อยๆแต่เวลาถอนมันก็เจ็บเหมือนกันแต่มันเจ็บแล้วมันหายพอเราถอนน้ําออกจากเท้าแล้วพอแผลมันหายแล้วทีนี้มันก็หายเจ็บแล้วแต่ถ้าไม่ถอนมันก็จะเจ็บไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดความอยากนี่มันเป็นเหมือนหนามทิ่มแทงใจเราทุกครั้งที่เกิดความอยากนี่ใจเราไม่สบาย แล้วเราก็เลยแก้ด้วยการทําตามความอยากพอเราทําตามความอยากความอยากมันก็หายไปชั่วคราวแต่มันไม่ไปหายมันไม่หายจริงเดี๋ยวแปบเดียวมันก็กลับมาใหม่อยากใหม่เราก็เลยต้องทําตามความอยากมาอยู่เรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้และเวลาเราคิดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ที่จะทําให้เราไม่สามารถทําตามความอยากได้เราก็ไม่สบายใจกันกังวลกันเดือดร้อนกันห่วงใหยกันเพราะเราไม่ไปพึ่งของที่มันพึ่งไม่ได้เกล้าพยศสรรเสริญสุคนี้พึ่งไม่ได้เป็นของไม่แน่นอนอืเรามาพึ่งความสงบดีกว่าเรามาหยุดความอยากพึ่งสิ่งต่างๆดีกว่าถ้าเราใช้ปัญญามาสอนใจ ทุกครั้งที่เกิดความอยากเราก็จะสามารถฝืนมันได้หยุดมันได้พอเราฝืนไปไม่กี่ครั้งมันก็บดมันก็จะไม่กลับมาอีกแล้วเราจะอยู่แบบไม่มีอะไรไมารบกวนใจเหมือนเราได้ถอนเสี้ยนน้ำออกจากใจไปหมดแล้วทุกครั้งที่มีความอยากก็ถอนมันออกไปถอนไม่ออกไปอยากไปทําตามทําตามก็เหมือนกับฝังให้มันนงลึกเข้าไปกดมันเข้าไปให้มันลึกเข้าไป อันนี้แหละที่จะทำให้เราไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจคือเราต้องกำจัดความอยากเพียงแต่นั่งสมาธินี้มันยังไม่กำจัดมันเพียงแต่หยุดความอยากชั่วคราวมันเหมือนกับกดความอยากไว้พอออกจากสมาธิมาความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาตามความคิดของเราเนีย่ยเราต้องคิดไปในทางที่ทำให้เราไม่ทำตามความอยาก เคิดว่าการทําตามความอยากเป็นการสร้างความทุกข์ที่จะเกี่ยวพันกันไปไม่มีวันสิ้นสุดความอยากมันจะทําให้เราการทําตามความอยากมันจะทําให้เราต้องไปทําตามความอยากอยู่เรื่อยๆแล้วพอไม่ได้ทําก็จะทุกข์งั้นเรายอมทุกข์กับการไม่ได้ทําตามความอยากเนี่ยดีกว่าเพราะว่าพอเรา ไม่ทำตามความอยากแล้วเดี๋ยวความอยากหายไปความทุกข์ก็จะหายไปแล้วมันจะหายไปอย่างถาวรมันจะไม่กลับมารบกวนใจเราอีกพอเราไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจแล้วใจเราจะสงบไปตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็ได้เพราะความคิดของเรานี้จะไม่คิดไปในทางความอยากอีกต่อไปความคิดของเราจะคิดไปตามความเป็นจริงเสมอ คิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราควบคุมบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้มันก็เลยถ้าคิดแบบนี้มันก็จะไม่เกิดความอยากไม่เกิดความอยากได้ลาบยศสรลเสริญไม่เกิดความอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่านพระพุทธเจ้าเคยเป็นพระราชโอรสกลับไม่สุขเท่ากับตอนที่มาอยู่แบบขอทานน พระพุทเจ้านี้ก็อยู่แบบขอทานตอนเช้าก็บินทบาติไม่มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอยู่ในป่าในเขาไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆมาบำรุงบำเลอแต่มีความสงบมีใจที่ไม่มีความอยากแล้วใจที่ไม่มีความอยากนี่ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเพราะไม่จำเป็นต้องมีร่างกายไม่อยากได้ร่างกาย การที่เรามาเกิดกันก็เพราะว่าเรายังอยากอยากใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุขกันพอร่างกายอันนี้ตายไปเราก็า่าเราก็กลับมาหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่เราจะได้มาหาความสุขกันใหม่เนี่ยเราเปลี่ยนร่างกายมาไม่รู้กี่ล้านร่างนะ้วแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อ ย, อยทุกครั้งที่ได้ร่างกายมานี่มันดีไหมมันมันเหนื่อยหรือมันสบาย แล้นำการมาก็ต้องเลี้ยงดูมันดูแลมันรักษามันเดี๋ยวมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวก็เป็นนั่นเป็นนี่แล้วดูแลดีขนาดไหนมันก็ยังห้ามห้าไม่ให้มันไม่แก่ไม่ได้ห้าไม่ให้มันเจ็บห้าไม่ให้มันตายไม่ได้เดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะมัน เป็นเหมือนกับคนที่ <c oughs> เป็นคนไข้ที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีหมอมารักษา <c oughs> ใจของพวกเรานี่ก็เป็นเหมือนคนไข้ <c oughs> เป็นโรคทางใจโรคทางจิตโรคของความทุกข์ <c oughs> เราไม่รู้จักวิธีวิธีรักษาความความทุกข์ใจอย่างถูกต้อง <c oughs> วิธีรักษาของเรากลับเป็นการสร้างความทุกข์ใจให้มีเพิ่มขึ้นไปเรื่อย <c oughs> โดยการไปทําตามความอยากต่างๆอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาพบหมอคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหมอรักษาโรคจิตโรคใจพระพุทธเจ้าวความทุกข์ใจของพวกเรานี้เกิดจากความอยากต่างๆนี่เองอยากใช้ร่างกายหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากได้ลาบยศสำลัเสริญไอตัวนี้นะเป็นตัวที่ทาให้เราทุกข์กัน ทำใหเราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันแล้ววิธีที่จะรักษาโรคนี้ก็คือต้องไปอยู่จําศีลกันประยุติการทํากิจกรรมทางร่างกายกันถ้าถือศีลแปดนี่ก็ทํากิจกรรมทางร่างกายไม่ได้นอนกับแฟนก็ไม่ได้ไปเที่ยวก็ไม่ได้กินข้าวเย็นก็ไม่ได้นอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆก็ไม่ได้ไม่ให้หาความสุขทางร่างกาย เพจะได้มีเวลามาหาความสุขทางใจมาทำใจให้สงบนั่งสมาธิแล้วก็พอได้สมาธิแล้วออกจากสมาธิมาเวลาเกิดความอยากก็ใช้ปัญญาใช้คาสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนว่าอย่าไปอยากได้อะไรอยากไปอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากไปอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันเป็นความสุขปลอม ความสุขที่จะทำให้เราต้องหาอยู่เรื่อยๆหาเท่าไหร่ก็ไม่พอร่างกายตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกแต่ถ้าเราไม่หาความสุขตามความอยากต่อไปความอยากก็จะหายไปหมดพอไม่มีความอยากแล้วที่นี่ก็ไม่ต้องไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆพอร่างกายนี้ตายไปก็จะไม่กลับมามีร่างกายใหม่อีกต่อไป พระพุทธเจ้าพาาระอรหันต์ตอนนี้ท่านก็ยังอยู่เหมือนพวกเราอยู่ตรงที่ว่าท่านอยู่แบบไม่ต้องมีร่างกายแต่พวกเราต้องอยู่แบบมีร่างกายกันกันเลยต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่หยุดความอยากเราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราอยากจะหยุดความอยากเราก็ต้องมาถือศีลกัน เราต้นก็ถือศีลห้าก่อนถือศีลห้าพอถือศีลห้าได้ก็มาเพิ่มเป็นศีลแปดพอเราถือศีลแปดได้เราก็จะมีเวลามาฝึกสมาธิเพราะการฝึกสมาธินี่ต้องใช้เวลามากถ้าไปทาวันละนิดวันละหน่อยมันไม่มันไม่สงบต้องทาแบบทั้งวันเลยอย่างวันพระญาติโยมหยุดทำงานกันแล้วก็ไปอยู่วัดกันไปถือศีลแปดกัน แล้วก็ไปฝึกสติพุโทโธพุโทโธควบคุมใจไม่ให้คิดทั้งวันแล้วก็นั่งสมาธิกันทําใจให้สงบนะแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมกันฟังวิธีหยุดความอยากกันฟังว่าความอยากนี่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายกันเพื่อที่จะได้ไม่ลืมแล้วพอเกิดความอยากก็จะได้ไม่ทําตามมัน พราะเราไม่อยากจะับ ม, มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วไม่อยากจะทุกข์กันเราก็ต้องไม่ทําตามความอยากกันนี่คือวิธีที่จะทําให้พวกเราอไม่ต้องทุกข์กันเราใจเราจะสบายไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนร่างกายเราจะเป็นอะไรนี้เราจะไม่ทุกข์กับมันเพราะเราไม่ต้องพึ่งอะไรแล้วอ เวลาเราคิดถึงเรื่องอะไรที่ไม่แน่นอนเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องพึ่งมันนะตอนนี้เราเดือดร้อนเวลาเราคิดถึงสิ่งที่เราพึ่งแล้วไปคิดว่ามันอาจจะมีการสูญเสียมีมีการพลาดพลาดจากกันก็จะทาให้เรานี่ยไม่สบายใจขึ้นมาทันทียังไม่ทันเกิดเหตุการณ์เลยเพียงแต่คิดว่ามันจะเกิดแค่นี้ก็ไม่สบายใจแล้วแล้วเวลาเกิดขึ้นมายิ่งไม่สบายใจใหญ่ เพราเรายังไปพึ่งมันอยู่นั่นเองแต่ถ้าเรามาพึ่งใจเราทําใจให้สงบได้พึ่งความสงบได้เราก็จะไม่เดือดร้อนกับการสูญเสียกับการพลาดพลาจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆไปนี่แหละคือความสบายใจที่พวกเราจะได้รับ ก, กันจากการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมคําสอนแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติ ฟังอย่างเดียวมันก็สบายใจเพียงชั่วขณะที่ฟังเพราะเดี๋ยวถ้าเราไม่ฟังเดี๋ยวเราก็กลับไปคิดแบบเดิมอีกเพฉนั้นเราต้องฟังแล้วเราเอาไปแก้ไขความคิดของเราหยุดความคิดของเราทําใจให้สงบสร้างที่พึ่งใหม่ขึ้นมาแล้วเลิกพึ่งสิ่งต่างๆที่เราเคยพึ่งแล้วรับรองได้ว่าต่อไปเราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับอะไรเลย เราคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะ อ, อนุโมทนาให้พรเอยาทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลรังเอวเมวะอิตโตทินางเปตานางอุปกาปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกาปา จันโทปนะระโสยถามณิโชติภราทิโยวิวาจันโตสัพพโรโควินาศตุมาเตภวะตวันตารายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายโนจตารูธรรมวัฏานติ อ so ายุวันโสุขังภาลังวิปัสสนุกิเลสนี่เราป้องกันได้ ไ, ได้ต้องมีอาจารย์ไงคือมันต้องมีคนสอนการปฏิบัติธรรมนี่ปฏิบัติเองไม่ได้หรอกอปฏิบัติเองมั น, นไม่อ่านในก็รเรื่องมันมีนเสือ่านเยอะแยะไปทํานเ อ, อ, อ่านคือแม้จะมีหนังสืออ่านแต่อ่านแล้วมันแปลความหมายผิดเดี๋ยวนี้คนวิปัสสนูกันเนยอะคิดว่าเพียงแต่อ่าน เ, เพียงแต่คิดก็บรรลุได้แล้วแต่ความจริงนี่มันยังไม่ได้บรรลุ ก, ก็มันเพียงแต่คิดแต่พอทำจริงๆมันไม่ได้ทำตามที่มันคิดมันก่อนมีคนเข้ามาเล่าว่าเขา คิดว่าทุกอย่างไม่มีอะไรว่างไปหมดเราถามว่ายัางพ่อมีพ่อมีแม่ยังมีมีนู่นมีนี่หรือเปล่ายังมีอยู่อะแล้วมันจะมีได้ไงถ้ามันว่างมันก็ต้องไม่มีก็ยังรักยังหวงสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ทั้งทั้งที่เห็นว่ามันว่างมันไม่มีอะไรมันไม่เป็นอะไรเนยมันเวลาคิดมันคิดอย่างเวลาทํามันไม่มันไม่ทําตามที่คิด เวลาทําเป็นเงินเป็นทองเป็นของกูของไมึงไปหมดนะแต่เวลานั่งวิปั ส, สนานี่คิดโอ้ทุกอย่างไม่ใช่ของเราทุกอย่างว่างไม่เป็นของเราแต่พอมาถึงเวลาทําจริงๆเป็นของเราอยู่เหมือนเดิมร่างกายก็ยังเป็นของเรายังกลัวเจ็บยังกลัวตายอยู่เหมือนเดิมมันก็เป็นวิปัสสนาไปมันยังไม่ได้รับการพิสูจน์จริงๆว่าอความคิดของเรานี่เราเอามาใช้กับ ความจริงได้ไหม เ, เราคิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยเราทาแบบที่มันตามที่เราคิดได้ป่ะเมื่อมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะเป็นยังไงเราก็ไปเดือดร้อนกับมันหรือไมออ่ถ้าเราไปเดือดร้อนมันก็ยังเป็นตัวเราของเราอยู่ใช่ไหมเพราะร่างกายคนอื่นนี่เขาเป็นอะไรเราเดือดร้อนนะ <laughs> ไม่ไม่เดือดร้อนใช่ไหมเพราะไม่ใช่ตัวเราของเรานี่ย แล้วร่างกายนี้มันก็ไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่เลยแล้วทํำไมไปเดือดร้อนเนี่ยเนี่ยมันมันต้องดูตรงเนี้ยดูที่ใจหรือว่าใจเรายังทุกข์อยู่หรือไม่ทุกข์อยู่แอ่บางทีมันไม่ยอมออกไปพิสูจน์มันเพียงแต่คิดอย่างเดียวคิดเสร็จแล้วก็โอ้ยทุกอย่างไม่ใช่ของเราฉันสบายแล้วฉันหลุดแล้วอก็หลุดก็หลุดไป แล้วเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมาก็วุ่นวายขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวแล้วถ้าไปถึงขั้นหนักๆเข้าก็เลยไปคิดว่าโอ้ยหลุดพ้นแล้วไม่ต้องกินไม่ต้องทาอะไรแล้วปล่อยไ้ให้ร่างกายมันตายมันลืมข้าตัวตายไปก็มีเนี่ยวิปัสสโนะก็่ต้องอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ตลอดก็ไม่ต้องใกล้ตลอดหรอกเพียงแต่ว่ามันก็มันก็ต้องมีการ เข้าหายอยู่เรื่อยๆ่การไปทำรับไปเหมือนกับไปรับไปรับการบ้านแล้วก็ไปทำการบ้านทำเสร็จก็มาส่งการบ้านที่เขาเรียกว่าสอบกรรมฐานสอบอะไรเนี่ยคือเอาไปปฏิบัติแล้วได้ผลยังไงก็ลองมาเล่าให้ฟังไม่ใช่ไปปฏิบัติแล้วก็ คิดว่าตัวเองเอาวะที่สบายยาเข้าไปเลยก็หมายความว่าทําทข้อสอบเองทําการบ้านเองตรวจการบ้านเองให้ให้คะแนนตัวเองรู้้แลลวเยซึ่งถ้าคนฉลาดก็ทําได้คนที่ฉลาดจริงๆเขาก็อย่างพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่มีใครมาตรวจข้อสอบให้พระพุทธเจ้าก็ต้องตรวจข้อสอบเองแต่น้อยคนที่จะฉลาดที่จะไม่ลำเอียงไม่เข้าข้างตัวเองส่วนใหญ่มันจะ เขาข้างตัวเองถ้าเขาสอบผิดก็เปลี่ยนหน่อยลบแกแกแกยากอถ้ามันเชื่อตัวเองถ้ามันนี้มันก็ยิแก้ยากพอมันจะมันจไม่เชื่อเขาาลบเาถือจะใช่จะไม่เชื่อใครแล้วก็ดีไม่ดีก็จะหาว่าคนที่เขาไป ไปถามนี่โง่กับเขาเสีไม่รู้อะไรเขารู้แต่ไอ้นี่ไม่รู้เนี่ยก็พอถ้าเจอแบบนี้ก็ลำบากในเวลาที่เขาจะสั่งสอนใครกูบาอาจารย์นี่เขาต้องเลือกก็ต้องทดสอบจิตใจของคนที่จะมาริ่มเรียนก่อนว่าเชื่อฟังหรือไม่เรื่อยๆหนึ่ง แต่คนดื่นเดึงนี้เขาจะไม่เขาไม่สอนจะสอนแต่คนที่เชื่อว่านอนสอนง่ายไม่ใช่ว่ายากสอนยากถ้ามันเหมือนกับการที่เราจะไปรับความรู้จากคนอื่นนี่เหมือนกับเราก็จะไปไปรับน้ำชาหรือกาแฟเนี่ยถ้าเราถ้วยเปล่าๆไปมันก็ใส่ได้ใช่ แต่ถ้าเรายังมีน้ําชาเก่าอยู่ในถ้วยแล้วไปด้วยเขาจะเข า, าจะใส่เข้าไปได้ยังไงเวลาเราไปริ่มเรียนกับใครนี้เราต้องสลัดทิฏฐิความรู้ความเห็นอะไรต่างๆของเราออกไปก่อนแล้วเชื่อฟังอย่างเดียวเพะฉะนั้นความศรัทธานในคนที่เราไปศึกษาด้วยนี่สําคัญคือเราต้องเชื่อว่าเขาเป็นครูเป็นอาจารย์เราได้เขาสอนเราเขาให้ความรู้ความอะไรที่เราต้องการได้ ถ้าเราไม่เชื่อตรงนี้เราเชื่อว่าเรารู้แล้วแล้วเราเพียงแต่ไปเรียนไปเสริมอะไรเงี้ยมันอาจจะลําบากเพราะมันอาจจะไปขัด ก, กันกับความรู้สึกนึกคิดของเรา <c oughs> งั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านจะรับลูกศิษย์แต่ละครั้งนี้ท่านจะต้องให้มั่นใจก่อนว่าเขาสละความรู้สึกนึกคิดเก่าๆของเขาแล้วรับความความรู้ใหม่ได้ ก็จะมีการทดลองทดลองดูว่าเชื่อฟังหรือไม่ถ้าดื้อไม่ยอมฟังก็ไม่ไม่สอนดีกว่า<ม>เนี่ยการปฏิบัติมันต้องมีครูมีอาจารย์มีคนที่เขามีประสบการณ์ใช่ไหมพวกพยาบาลพวกหมอนี่ก็ต้องมีหมอมีพยาบาลที่เขารู้มาก่อนเรามาสอนเราใช่ไหมไม่ใช่เรียนกันเองแล้วก็ไปทํากันเองเออ เดี๋ยวก็ตัดผิดตัดถูกที่เพื่อนฟังได้รูปแรของป้าจา์แล้วเกิดอยากภาวนาเจ้ะก็เลยอยากให้ป้าจา์ชี้แนะเพื่อนก็น่าอะไรแล้วก็น่าอยู่ทุกวันนี่นี่กันมุีิก็น่ามาแล้วเออก็ไปฟังได้ทุกทุกคลิปมันก็มีหมดแล้วเนี่ยก็น่าเรื่องภาวนาทั้งนั้น เรื่องศีลสมาธิปัญญานี่ก็เรื่องภาวนามันมีประเทศเรื่องภาวนาแล้วใช่ไหมจะให้หน้าอย่างไงลนะเขานาแล้วเขาไม่มาแล้วจะให้เราได้าตรงไหนอตอนหน้าเราไม่ใช่แต่วันนี้แต่ฟังก็ฟัง <c oughs> ถ้าอยู่บานก็จะฟังทุกย่างใช่น้าเราก็ต้องไปทํำสิได้เยอะเลค่ะก็ะะที่ฟังอย่างที่บอกว่าถ้าเห็นอะไรแล้วให้พูดโธ อนันนั่งเสร็จแล้วก็เหมือนกับนั่งไปประมาณสี่ห้านาทีแล้วก็เหมือนจะเห็นเป็นหน้าดําๆขึ้นมาไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่กลัวค่ะแต่จำได้ว่าพระอาจารย์บอกไม่ให้ลืมตาแล้วก็ให้พุดโธอย่างเดียวออก็เลยพูดโทยพูดโซรัวเพว่ากลัวแล้วก็ก็เลยกลายเป็นสีดํามืดไปทั้งหมดเลยไอ้ดํำๆที่เป็นหน้าหายไป เรวก็จะเป็นจินี้ของพุโทโธหนักๆเขาก็จะสว่างขึ้นะเออแล้วตัวรู้ก็จะกลับมาเอนเอิมนั่นแหละต้องมีกําถึงบอกว่าเรานั่งสมาธิต้องมีพุโทโธมีอะไรกรํากับใจไม่ใช่นั่งหลับตาเฉยๆแล้วปล่อยให้ใจมันสร้างภาพมาหลอกมาหลอนเราแล้วเราก็ไปคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมามทั้งภาพที่ดีแล้วไม่ดีมันก็ไม่ดีทั้งนั้นภาพดีก็หลอกให้เราคิดว่าเป็นเทวดาบัาง้งเป็นเท้ามาหาพรหมบ้าง ภาพหลอนก็คิดว่าเราเป็นปีศาจบ้างอะไร mm hmm. กลัวมัน mm hmm. เาบางทงมันเป็นภาพใจเรานี่เป็นเหมือนจอบเป็นเหมือนเป็นเหมือนเครื่องฉายภาพยนตร์ะมันชอบฉายอะไรออกมาเรื่อยๆอย่างที่เรานั่งนี้เพื่อต้องการที่จะหยุดในตัวฉายเนี่ยเพื mm ่อ hmm. ใจมันจะได้ว่างใจมันว่างแล้วมันเย็นมันสบายมันสงบ mm hmm. เอเนี่ยต้องมีกรูมีอาจารย์สอน คือตอนแรกก็ยังไม่ได้อยากที่จะปฏิบัติแต่ว่าผมฟังตอนนั้นเพื่อนเธอพามาหนึ่งตอนแรกนะคะแล้วก็พามาก็เลยฟังพระอาจารย์พอคนนี้พามาที่พามากับเพื่อนปวดทุกครั<อ>้งแล้พอมาเสร็จก็ได้ฟังพระอาจารย์ทางเรฟรนด o บลูไพร์ดเรื่อยก็เลยโทรมาหาเขาบอกใช่จะไปพักแล้วล่ะก็จะไปนั่งิบอืิ <c oughs> แล้วก็เลยเออจะ <c oughs> บอกันเริ่มต้นก็ให้แต่งก่อนอืมค่อยๆเรื่องใช ตอนนี้ก็ค่อยๆเริ่มทํำไปเรื่อยๆก็ไม่แน่บางคนไม่ต้องค่อยก็ได้บางทีพอเริ่มก็พูดพลาดกันเลยแต่ละคนมันไม่แน่บางทีความพร้อมมันไม่เท่ากันที่วยังเอ่ยไม่เห็นเรื่อยๆเลยบอกพันปารณิบัตย์ทำนี้เอาเรื่อยๆถ้าใส่มันได้เต็มที่ก็มันเต็มที่เลย เอาให้เต็มสูบก็เต็มสูบเออเวลาไปเที่ยวนี้มันไม่ค่อยเรื่อยๆื่มันเต็มที่เลยแต้องบอกเขาว่าให้ทำในรูปแบบทุกวันก็มันต้องมีการทำแต่อย่างต่อเนื่องถึงจะได้ประโยชน์แล้วก็ทำมีมีการเพิ่มขึ้นไปตามลำดับ จุดที่เราเริ่มต้นนี้มันยังไม่ได้เป็นจุดที่เต็มที่เราต้องเพิ่มเวลาของการปฏิบัติให้มากขึ้นแล้วตัวที่สำคัญที่สุดตัวแรกก็คือสติต้องพยายามให้มีสติอยู่ตลอดเวลาต้องควบคุมใจตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรานั่งอย่างเดียวเพราะถ้าเรามาคอยควบคุมตอนที่เรานั่งมันจะไม่ไม่ทันการ เพราะถ้ามันเริ่มนั่งแล้วมันเริ่มควบคุมนี้มันมันจะหยุดยากแต่ถ้าเราควบคุมมาก่อนที่เรามานั่งมันหยุดแล้วมันหยุดคิดแล้วแล้วพอมานั่งมันก็มันก็จะหยุดคิดแล้วมันก็จะสงบได้เร็วบางทีห้านาทีสิบนาทีก็สงบแล้วเาตื่นมาก็พุโทโธพุโทโธพยายามคอยควบคุมความคิดไเ้เราชอบคิดเพ้อฝันเพ้อเจอรอกันเยอะ การคิดเหล่เนี้เราหยุดได้แต่ความคิดที่จำเป็นที่ต้องเกี่ยวข้องกับการทางานทาการเรืออะไรก็คิดได้ <c oughs> แต่มันไม่ต้องคิดทั้งวันใช่ไหอมันคิดเท่าที่จำเป็นจะต้องคิดเท่านั้นเองเเวลาส่วนใหญ่มาพุดโธกันดีกว่ามาหยุดความคิดกันแล้วก็พยายามตัดงานให้มันน้อยลงจะได้มีเวลานั่งให้มากขึ้น ยิ่งนั่งได้มากเท่าไหร่มันยิ่งมีความสุขมากขึ้นแล้วมันจะมีกําลังใจที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปต่อไปมันก็อยากจะปฏิบัติทั้งวันมันไม่อยากจะไปทำอะไรอย่างอื่นเพราะผลที่ทำมันเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วมันสู้การปฏิบัติไม่ได้เะปฏิบัติได้ความสุขกว่าการที่เราไปทำงานอย่างอื่นงานอย่างอื่นความสุขก็เล็กๆน้อยๆ ดูความสุขที่ได้จากการปฏิบัติไม่ได้ก็ต้องดูที่ตัวเองว่าพร้อมหรือเปล่าจะยังไม่เคยไปอยู่คนเดียวนี่มันจะอยู่ไม่ได้เพราะนี้เขาให้ขังตัวเองอยู่ในที่พักไม่ให้ไปออกไปยุ่งกับใครเอมันไม่ใช่เป็นของที่ว่าจะอ จะอยู่ก็ได้ก็ต้องมาลองลองดูก็ได้ก็มีบ้านพักป่าไม้เนี่ยติดต่อกับคนที่เขาดูแลได้อยู่ <Okay. S 1> จองที่พักได้ฮ <Okay. S 1> ะ, ะ, ะ, ะแล้วที่สวนทันของอยมจะขอไม่ชีชื่อติดต่อให้เพื่อขอคุณเดี๋ยว mm hmm. จะไปปฏิบัติที่เสวนทันสามวันอันนี่ก็มีอีกที่หนึ่งของคุณต่อที่พัทยานี่ก็มีอธรรมะในสวน เขาก็มีที่ปฏิบัติให้ผูส้สนใจไปปฏิบัติไปปฏิบัติได้ก็ก<ะ>เริ่มจากวันสองวนสามวันก่อนใช่ไหมคอก็ออแล้วแต่ถ้าเราเริ่มเจ็ดวันได้ก็เอาเจ็ดวั น, <laughs> น, นทีนี้ของโยมที่ถอนยาเข้าประเด็นพิธีฐานนะคะคือยมก็อยู่ในวัดประมาณปีนึงก็อย่างน้อยก็เดือนหสองเดือนสามเดือนคือคือในพรรษาพยายามแต่อย่างน้อยสามเดือนนะคะหนึเดือนขึ้นที่นี้ในชีวิตจริงเนี่ยของ ผู้หญิงมันจะยากนี่หนึ่งเรื่องการหาพี่จจอาจารย์ประการคร่ามเนี่ยคือเรื่องสมบัติทั้งโลกนี่เราก็วางไปที่จุดแล้วทั้งบ้านทั้งรถทั้งสามีมอะไรก็หมดแล้วแต่ว่าที่เหลือเรื่องลูกหลานที่มันยังมีางเหลือนเนี่ยทนยังไงให้มันเห็นหลานพูกเ <c oughs> ช่นหลานจะคลอดเดือนนี้ที่น่านเนี่ยแค่ว่าทราบแบบว่าถ้าเราเห็นเขาแล้วเขาอยู่ต่างประเทศแล้วเราต้องกลับมาเรามันจะทจําใจยังไงเตรียมอาจารย์สื่อสึกตรงนี้ไหเห็นศพเขาไห เดี๋ยวก็ตายแล้วให้เห็นเป็นศพเลยให้เห็นเป็นศพไปเลยเดี๋ยนี้ก็มีที่ไปนั่งดูศพกันน้ไม่ไม่เห็นด้วยคิดแล้วไม่เห็นก็ลราไปนั่งนั่งสมาธิก็มีโรงศพมีคนมีคนตายนอนในโรงศพมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มีทุกศพทุกชนิดเนี่ยทุกยุก็เคยเห็นทุกอาจารย์ชนิดนั้นะคะเด็กที่วันนั้นที่พระอาจารย์สนทนากับแม่ชี ที่พูดถึงไปนั่งอันนั้นเป็นศพจริงเหรอเยิงคนตายเนี่ยเขาไม่ต้องถูกกฎหมายถูกก็พวกศพไร้ญาติพวกนี้พวกบอเต็งเต็งพวกร่วมกันันอยูอ่ก็ไปเก็บศพมาแล้วก็ไม่มีญาติมาเคลมเขาก็เลยรเขาก็เลยบริจาคให้กับวาดไปแล้วเขาก็ไปทําเป็นเป็นเป็นจุดจุดเป็นเหมือนกับกระต๊อบนั่นแล้วก็เอาศพไปตั้งหรือยังไงก็ไม่ไม่ไม่ทราบแต่มันจะเป็นที่ที่ คนนั่ปฏิบัติจะต้องไปนั่งสองต่อสองกับศพเนี่ ย, นน อ, ยอ่าอ่าคู้หญิงคนนี้เขาไปบวชมาปีหนึ่งดูท่าดูท่าทางเขารู้สึกเขากล้าหาญจิตใจเขารู้สึกเขาก็ไปอยู่กับศพมาปีหนึ่งเนี่ยอยู่แถวสระบุรีอนะไปทราบที่ไหนรายละเอียดต้องถามคุณต่อเขารู้เนี่ยคุณต่อเ ข, เขายังไปติดเขายังไปที่ แล้วมาในสวนบ้ากเป่าตอน น, อ oh อ น, นี้ตอนนี้ตอนนี้พูดไม่ได้เพราะพอดีตอนนี้เขาโดนมาอ่นเป็นมนุษย์กวนอยู่ครับผมก็เลยผมก็เลยช่วยเหลยอยู่ครับตอนนี้แต่ก็ยู่อยู <c oughs> <c oughs> ่ครับยังอยู่ครับอแต่พูดได้ครับถ้าอยากจะทราบรายละเอียดของที่นี้ก็คุณต๋าจะให้ข้อมูลได้เออพะมันถ้ามันคิดมันยังไม่เหมือนของจริงอะ เราไปดูศพสักครั้งสองครั้งแล้วมันจะติดตาติดใจทีเราคิดถึงใครเราคิดถึงตอนนี้ก็เป็นศพไปเลยเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยต้องเป็นศพด้วยกันทั้งนั้ น, นแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะเป็นกันเราจะคิดว่าเราจะอยู่กันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอเราคิดถึงความเป็นศพของเราของเขาแล้วต่อไปมันจะปลงได้ง่ายเลยไปวิตกกังวลยังไงไปปรงกัไปวิต ก, กับศพทาไม เดี๋ยวมันก็มือนเดี๋ยวมันก็กลายเป็นศพตอนนี้มันเป็นศพศพสดคือตอนนี้ยังหายใจได้พอไม่หายใจก็เป็นศพแท้งไปแล้วศพจริงไปแล้วศพมันมาจากไหนมันก็มาจากร่างกายของคนเป็นดีๆเนี่ยใช่ไหมพอไม่หายใจปั๊บเขาก็จัดการแยกไปอยู่อีกคอกหนึ่งนะตอนนี้อยู่คอกนี้พอไม่หายใจเขาก็ย้ายไ ป, ไปอีกคอกหนึ่งนะ <c oughs> จาเป็นพยาบาลมันอยู่โรงพยาบาลก็ไปดูได้เนี่ยมีห้องเก็บศพใช่ไหมไปขอเขานั่งสมาธิในห้องเก็บศพดึงตู้ออกมาแล้วก็ยืนยืนดูภาพแล้วก็นั่งนึกถึงภาพที่เราดูแล้วก็นั่งตรงนั้นสักชั่วโมงรอบเรสงบเลวนะในการที่เราต้องย้อนดูภาพที่เราเคยเห็นบ่อยๆใช่ไหม ก็เช่วยตอนซนามิอะไรเอท่านกใช่เออน่แหละมรณานุสติไงมรณานุสติก็ใช้แทนอนาพนัสติได้อนึกอย่อเออนึกอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็หลายานะก็ต้องกใช่เออใช่ทุกคนต้องกลายเป็นศพหมดเราจะทำให้เรานี่ไม่ไม่ไม่ยึดไม่ติดไม่ห่วงใครมาก ยังห่วงดูแต่ไม่กังวลเกยังห่วงใ ย, ยกันอยู่ยังดูแลกันอยู่ยช่วยเหลือกันได้แต่จะไม่กังวลว่าเขาจะตายหรือไม่ตายเขาจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นไม่ไม่กังวลนละเป็นแน่ๆยังจะเป็นเมื่อไหร่เป็นเชา้าเป็นเร็วนั่นเองน <c oughs> ะถ้าคิดจะยกให้ปยเร ง, เงินทองทรัพย์ครองอะไรพกนี้นะคะถ้าเราเป็นอผู้หญิงเนี่ยไม่ม เ, เป็นเออุบาสิการที่ไม่ได้บวชนะค คือก็ไปช่วยงานก่อนก่อนไปนอร์เวย์ที่มากัราพเจย์ว่าจะไปช่วยงานทางองคุชาที่วัดใหม่ของท่า น, น, นอืกอ็คือไปแล้วมันก็มีโอกาสเผอกระจายให้ได้ไปอีกแต่มันก็จําเป็นที่ต้องใช้เงินในการเดินทางที่นี่มันก็ยังจะต้องถ้าเราต้องใช้เงินเกี่ยวกับความความจําเป็นเหล่านี้ก็ใช้ได้ถ้าเราต้องใช้เงินเพื่อไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้จะเอาเงินไปเที่ยวเท่านั้นเองไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆ ถ้าช่วยงานว่าช่วยครูบ า, าอาจางวัดอนี้ก็ก็ไดแ้แต่แต่ถ้าดีที่สุดก็คือถ้าไปบวชได้เลยดีท<ด>ี่สุด เ, เลิกใช้เงินเลยไปอยู่แบบไม่ต้องใช้เงินได้ก็ดีแต่ยากเพราะสหรับผู้หญิงนี่หาที่ที่อยู่แบบที่ไม่ต้องใช้เงินไม่ค่อยได้ถ้าเกว่าถ้าเหตุปัจจัยเอื้อนจริงก็บวชเลยอีกครั้งยิงเคย บ, บวชแล้วครั้งต อ, ตอนที่บวชนี้ไม่ต้องใช้เงินเลยใช่ไหมอยู่ทีบวชที่ไหน ที่ิญาณรามของพระสงฆชาติผ้นิวซีแลนด์อ๋อที่นิวซีแลนด์ครูบาอาจารย์ุปถัดูอ๋อท่านเป็นอุปถัมภ์ดูแลเลยอาหารก็อาหารจากบิณฑบาตก็ช่วยงานมีที่จะไปแจกใครเยอะอยู่วัก็ช่วยงานวัดไปช่วยการเก็บกวาดทาความสะอาดอะไรต่างๆแต่เราก็มีเวลาปฏิบัติของเรา เนี <c oughs> ่ยก็ต้องถ้าถ้าไม่ต้องการใช้เงินทางก็ต้องไปอยู่วัด ต, ต้องไปอาศัยวัดอยู่อย่าไปคิดว่าการไปอาศัยวัดอยู่นี่เป็นการไปเกาะกิน <โ ito. S 1> ถ้าเราไปอยู่แบบปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้ไปเกาะกินแต่ถ้าเราไปอยู่แบบไม่ไปปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าไปเกาะกินอยู่มันอยู่ได้สองแบบ <c oughs> อยู่แบบว่าไม่มีที่ไปแล้วก็เลยไปอยู่วัดแต่ไปอยู่วัดแบบไม่ได้เป็นปฏิบัติ แต่ถ้าไม่ไปอย่างน้อยถ้าไปทํางานก็ยังถือว่าไปไปทํางานก็มันก็บไปรับจ้างที่วัดก็ยังไม่เสียหายเลยแต่ถ้าไม่ทํางานเลยมิแต่จะขอกินอย่างเดียวกินเสร็จแล้วก็ไปนอนไม่ไม่เหลียวแลไม่ดูแลไม่สนใจกับการงานต่างๆถ้าอยู่แบบนี้ก็ไม่เหมาะอยู่ในวัดก็อย่างน้อยก็ต้องช่วยกันมีงานอะไรก็ต้องทํา งานจำเป็นคืองานเล็กๆน้อยๆอยเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดอะไรต่างๆ <c oughs> งานที่มีขอบมีเขตเนี่ยแต่งานหลักที่เราต้องการจากการไปอยู่วัดก็คือการไปภาวนาเนี่ย <c oughs> ไปเจริญสติไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาถ <c oughs> ้าไปอยู่วัดแบบนี้ไม่เป็นไรเนะ่ยพระก็เหมือนกันพระก็มาก็อยู่แบบนี้พระก็ไม่มีเงินมีทองก็อยู่แบบนี้ ก็เหมือนกันไม่ชีกับผ้าก็เหมือนกัน mm. ไม่ต้องใช้เงินทองมันสบายใจกว่าไม่ต้องมากังวลเก็บเรื่องการหาเงินหาทองเก็บเงินเก็บทองว่าจะพอใช้หรือไม่เราจะอยู่ไปถึงกี่ปีเงินทองที่เราเก็บไว้นี่จะพอหรือไม่พอถ้าเราอยู่แบบนักบวชนี่เรามีคนดูแลเรื่องเราเหล่านี้อยู่หรือถ้าไม่มีก็พง ยอมรับความจริงก็อย่างมากก็แค่ตายคนที่จะไปบวชนี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยกลัวตายกันล้ไม่กลัวอดตายไม่กลัวอะไรเขารู้ว่าต้องตายแน่ๆ mm hmm. เพราะถึงไปบวชกัน mm hmm. เพื่อที่เขาจะได้หลุดจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาตายใหม่ mm hmm. งั้นเจ้าจะปฏิบัตินี้จะต้องเป็นพวกเดินตายถึงจะได้ผลดีน mm hmm. ลกลัวๆตายนี่จะไปไม่รอดคนเหนื่อยผู้ปฏิบัติจะไม่ค่อยสนใจว่าจะอดตายไหมจะมีกินไหมใครจะบินถืบาตรไหมไม่ค่อยสนใจอะไรเลยทัานไม่ค่อยกังวลอะท่านกังวลว่าปิเลีย จ, จะตายแล้วไม่ตายมากกว่ามีใครอยากจะถามอะไรอีกไหม เดี๋ยวจะให้ทางบ้านเขาถามบ้างนะมีเข้ามาวันนี้เข้าม า, ท า, ทา 34, เท่าไหร่เฟซบุ๊กเท่าไหร่เฟซบุ๊กเมื่อวที่สามสามร้อยสี่สิบสามร้อห้สิบบาทแล้วสามสิบสค่ะเด<ร> <ition. S 1> ี๋ยวให้ภาษาคิดเลยมีใครโทนี่โทนี่โรเมียลคนนี้อยู่ที่ลาสเวกัสอันนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนกว่าเขาก็ติดตามอยู่เรื่อยๆฝรั่งคําถามจากคุณพิมพรนะครับ เวลาที่หนูไปทำบุญที่วัดอาทิตย์ละสองครั้งแล้วหนูจะได้แรงบุญของหนูช่วยงานในวัดอย่างเช่นจะเก็บทูกเทียน <c oughs> ก็ดูแลเรียบร้อยหรือเอะ ห, หรือก็เสือหรือเก็บเสือถามเจ้าค่ะว่าหนูทำแล้วหนูจะได้รับผลบุญนี้ อ, <c oughs> อย่างไรคะ <c oughs> แต่หนูก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนก็บทผลปัจจุบันก็คือเราได้ความสุขใจได้ความ อิ่มใจพอใจภูมิใจแล้วเราทำอะไรเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาเราช่วยเหลือใครต่อไปก็จะมีคนมาช่วยเหลือเราเราให้อะไรใครเราก็จะได้รับจากคนอื่นให้ความสุขแก่คนอื่นเราก็จะได้รับความสุขจากคนอื่นกลับมาให้ความทุกข์แคนอื่นเราก็จะได้ความทุกข์กลับมาให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตนให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตน เราทำอะไรนอกจากความสุขใจที่เราได้แล้วเราก็จะได้สิ่งเดียวกันที่เราทำไปเราไปช่วยเหลืองานการอะไรต่อไปเวลาเรามีงานการก็จะมีคนมาช่วยเหลือเราเยอะแยะไปหมดคำถามในอินบ็อกซ์จากคุณทิมทองค่ะมีความคิดว่าไม่อยากทำบาปอีกต่อไปแล้วไม่ว่าจะต้องเกิดอีกแต่ก็กลัวว่าจะหลงไปทำบาป ต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างเจ้าคะ่ะที่จะทาให้ไม่หลงผิดไปเจ้าคะ่ะก็ต้องถือศีลเนี่ยถือศีลห้ารักษาศีลห้าให้ได้ยอมเสียชีวิตแม้แต่ยอมรักษาศีลมากกว่ารักษาชีวิตให้คิดว่ า, ถ, า, า, า, ถ, าถ้าเราทำบาปตายไปเราต้องไปใช้กรรมต่อแต่ถ้าเรายอมตายแล้วไม่ทำบาป เวลาตายไปเราก็ไม่ต้องไปรับผลบาปแล้วความตายนี้ก็ต้องตายอยู่ดีจะทำบาปหรือไม่ทำบาปเมื่อถึงเวลาก็ต้องตายอยู่ดีงั้นอย่าไปทำบาเพื่อรักษาชีวิตเลยเพราะว่าทำแล้วมันมันไม่คุ้มค่าเพราะถึงแม้จะอยู่ต่อไปได้แต่ก็ต้องเวลาตายไปก็ต้องไปใช้บาปแต่ถ้ายอมตายด้วยการคิดว่ายัางไงเราก็ต้องตายอยู่ดี แต่เราตายโดยไม่ทำบาปนี้ตายไปเราไม่ต้องไปใช้ไปรับผลบาปคำถามที่คุณป้อมนะครับความผิดหรือบาปที่เราได้เคยทำแต่ยังจดจำได้ตลอดเวลาและตั้งใจว่าจะไม่ทำอีกทุกครั้งที่คิดก็จะเป็นทุกถือว่ากำลังรับกรรมอยู่หรือไม่ต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้กรรมเบาบางลงก็ อ, อย่าไปสร้างกรรมใหม่ กรรมเก่ามันจะเบาบางลงไปเรื่อยๆหลังจากที่มันสัส่งผลแล้วเหมือนกับหนี้ที่เราใช้ไปเรื่อยๆต่อไปหนี้มันก็หมดแต่อย่าไปอย่าไปก่อหนี้ใหม่อย่าไปสร้างหนี้ใหม่กรรมนี้ก็บาปกรรมนี่ก็เป็นเหมือนการสร้างสร้างหนี้นี่เองแต่หนี้เก่าที่เรามีแล้วเราก็ต้องใช้มันให้มันหมดเราจะบอกว่าต่อไปนี้เราไม่ทําเราไม่สร้างหนี้แล้วขอ ขอเลืกยกเรื่องนี่เก่าไปมันยกไม่ได้เนี่นี่เก่าก็ต้องใช้ไปแต่อย่าไปสร้างนี่ใหม่บาปเก่าก็ต้องใช้ไปขอถ้าเรายอมคิดว่าเราต้องยอมใช้บาปเก่าเราก็จะเราจะไม่รู้สึกไม่สบายใจเรายอมรับว่าเออทำแล้วก็ต้องใช้เขาเออที่เราไม่สบายใจเพราะเราไม่อยากจะใช้เขาไม่อยากจะรับบาปการรมที่เราทำไว แทนถ้าทุกครั้งที่เราคิดถึงบาปกรรมที่เราทําำม้บอกเออเตรียมตัวนะเดี๋ยวมันต้องมาแล้วเคยไปทําอะไรมาก็เตรียมตัวรับไปแต่เราจะไม่ไปทําบาปใหม่ละพอเราใช้บาปเก่าหมดแล้วต่อไปจะไม่มีบาปมาให้ต้องใช้อีกต่อไปคําถามเจ้คุณนารานะครับโทษของการบัลลัมีอะไรบ้างครับก็ทําให้ต้องมีสามีมีภรรยา เราก็้องมาทุกขกับสามีทุกขกับภรรยาทุกขกับลูกทุกขกับอะไรต่างๆถ้าอยู่คนเดียวมันก็สบายไม่ต้องห่วงสามีไม่ต้องห่วงภรรยาไม่ต้องกังวลไม่ต้องเสียใจเวลาเ้าทิ้งเราหรือเวลาเขาจากเราไปหรือเวลาเขาไม่ซื่อสัตย์กับเราโทษเยอะแยะไปหมดเวลามีสามีภรรยาเวลาไม่มีนี้ไม่มีโทษเลยสบาย คงถามจะคุณติถาวรานะครับการเปลี่ยนที่ภาวนาเวลาคุ้นเคยกับที่ที่เดิมไม่เกิดสติปัญญาทางที่ความเพียรก็ต่อเนื่องต้องเปลี่ยนชั่วคราวสักสิบวันหรือระยะยาวเป็นเดือนดีคะจึงจะทำให้เกิดการก้าวหน้าและจะกลับมาที่เดิมอีกดีไหมคะคอการปฏิบัตินี่การา ท, าที่เราไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆนี่มันก็มี เป้าหมายว่าเราต้องการอะไรจากสถานที่นั้นบางทีถ้าเราต้องการไปแก้กความกลัวอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปหาที่มันน่ากลัวแต่พอเราไปอยู่สักพักแล้วมันชินมันไม่กลัวแล้วแล้วเรายังไม่แน่ใจว่าเราได้กาจัดความกลัวหมดหรือ ย, ยังเราก็ต้องไปหาที่ใหม่ที่จะ ก, กระตุ้นความกลัวให้เกิดขึ้นแล้ว จ, จนกว่าเรามั่นใจว่าเราสามารถกาจัดความกลัวได้แล้ว ทีนี้เราจะอยู่ที่เดิมหรือจะย้ายที่หรือไม่ย้ายที่ก็ไม่มีปัญหาแล้วเพราะสถานที่นี้มันเป็นเหมือนกับยาอย่างหนึง่งยาที่จะมาช่วยทำให้เราแก้ปัญหาต่างๆได้ถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการติดความสุขอยู่อย่างสุขอย่างสบายแล้วก็อาจจะต้องไปหาที่มันแร่นแค้นอยู่กินยากลำบากเดินมินตบาทสี่ห้ากิโลอย่างนี้ กินก็มีแต่ชาวป่าชาวเขาให้อาหารชาวเขามากินอย่างนงี้อก็หัดอยู่กันไปแบบนั้นจนกว่ามันไม่ติดกับความสุขการเรื่องการอยู่การกินแล้วทีนี้ก็กลับมาอยู่ตามปกติได้อันนี้เป็นการเปลี่ยนสถานที่นี่ก็เพื่มที่จะไปแก้ปัญหาที่เราไม่อยู่อย่างอยู่บ้านนี่มันสบายใช่ไก็มันมันก็ติดสุขติดทีวีติดตู้เย็นติดอะไรต่างๆ ก็ไม่ได้ภาวนากันก็เลยต้องลองไปอยู่วัดกันไปอยู่วัดที่เขาไม่มีตู้เย็นไม่มีทีวีมีแต่ห้องว่างๆใหเรานั่งสมาธิหรือมีหนังสือธรรมะให้อ่านอย่างเงี้ยถ้าเราไปอยู่อย่างงั้นแล้วเราก็สามารถเลิกพึ่งตู้เย็นพึ่งตู้ทีวีได้ต่อไปเราก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ ต่อไปเป็นประโยชน์บอกเล่านะครับจากคุณตองนะครับขอกลาวขอบพระคุณพร <c oughs> ะอาจารย์ที่มีไลฟ์ทุกเชา้าโยมอยู่อังกฤษเป็นประโยชน์มากมายสําหรับคนอยู่ไกลบ้างที่โยมอยู่เป็นเกาะจะไปวัดต้องขึ้นเครื่องไปเบอร์มิงแฮมหรือในอังกฤษค่ะมีพระอาจารย์คอยดึงสติของโยมทุกเช้าคิดดีทดําดีคอยบอกตัวเองอยู่เสมอค่ะเอือกสาวเทืทอกคำถามทาง ย, ยูทูบจากคุณกียาค่ะ หากต้องการลดมานะอัตตาต้องทําอย่างไรให้เก้าหน้าคะก็ต้องไปอยู่แบบเป็นแจ๋วไงอยู่แบบเป็นคนรักใช้หรือพระเจ้าบอกให้เราคิดว่าเราเป็นเหมือนแผ่นดิน <c oughs> ใครจะเหยียบจะย่ำใครจะทําอะไรไ <c oughs> ก็ไม่ไม่ไม่เดือดร้อน <c oughs> ใครจะฉี่ใครจะอุจจาระใส่แผ่นดินแผ่นดินเขาก็ไม่เดือดร้อน <c oughs> ใจเราก็ต้องเป็นเหมือนแผ่นดิน เก็บพยังามทตัวให้ต่ำต้อยที่สุดอย่าไปคิดว่าโอ้ยเราขั้นนั้นสีนั้นสีนี้เงินเดือนระดับนั้นเงินเดือนระดับนี้เราเป็นนูน่นเป็นนี่เนี่ยอันนี้มันจะทําให้เราถืออัตราตัวตนขึ้นมาไอ้ที่ว่าเราเป็นแผ่นดินเราเป็นแจ๋วเป็นผ้าขี้ริ้วผ้าเช็ดเท้าไ้คิดอย่างเงี้ยแล้วเวลาใครเขาจะใช้เราเป็นผ้าเช็ดเท้าเร า, เลาลก็จะรู้สึกเฉยเฉยก็เราเป็นผ้าเช็ดเท้าเนี่ย <laughs> ใช่ไหม <laughs> ใครจะเหยียบย่ำใครจะดูถูกดูแคลนใครจะไม่ยกย่องใครจะไม่เคาลบนับถือวไม่สําคัญอะไรนจะสบายใจเราต้องสมมุติต้องคิดอยู่เรื่อยๆเพราะความจริงการเป็นอะไรต่างๆก็สมมุติทั้งนั้น่ะแต่เราหลงเชื่อมันติดกับมัน <Yeah. S 2> แล้วมีคนอื่นเชื่อด้วยยิ่งเชื่อใหญ่เลยเราก็ตั้งกันับเป็นหัวหน้าหน่อยทุกคนก็เชื่อว่าเป็นหัวหน้ากันความจริงมันก็เป็นเพียงแต่ความคิดเป็นสมมุติขึ้นมาทั้งนี้ เราต้องมาแก้ด้วยการคิดว่าเราเป็นแผ่นดินแต่ถ้าเราปฏิบัติจริงๆแล้วเราจะไปรู้ว่าตัวจริงแท้ของเราก็คือตัวรู้เท่านั้นเองเราเป็นตัวรู้แต่เราไปหลงกับตัวคิดคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่แต่เวลานั่งสมาธินี่เวลาจิตสงบนี่ตัวคิดจะหายไปเราจะเหลือแต่ตัวรู้ตัวรู้มันไม่ได้บอกว่าเป็นพยาบาลเป็นหมอหรือเป็นอะไรมันรู้เฉยๆเท่านั้นเอง พอเราถึงตัวรู้แล้วต่อไปเราก็พยายามอยู่กับตัวรู้ เ, เราใค้รู้เฉยๆใครพูดอะไรใครเข้าว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่เราก็รู้เฉยๆเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นทั้งนั้น <c oughs> าการจะว่าเราเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นแมวเป็นหมาเราก็เราก็เป็นแค่ตัวรู้เท่านั้น <alle: S 2> เองเมื่อเรารู้จากตัวจริงของเราแล้วใครจะมาว่าเลยเราเราจะไม่เดือดร้อนใครจะมาชมยกย่องเราแล้วก็ไม่หลงตามเขา <c oughs> เข้าหาตัวรู้ให้ได้วิธีจะเจอตัวรู้กันเนี่ยต้องฝึกสติพุทโธพุทโธแล้วนั่งสมาธิให้มากๆพอจิตรวมลงเป็นอัปปนาสมาธิแล้วมันก็จะเจอตัวรู้นี่แล้วมันก็จะรู้แล้วว่าต่อไปนี้เราจะต้องเป็นตัวรู้อย่างเดียวที่พระเจ้าสอนก็ให้สักแต่ว่ารู้นี่เห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ได้ยินไ ด, ได้ได้รู้ อย่าไปคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่เราชอบคิดกันพอเห็นอะไรหนาคิดเป็นผีเป็นอะไรขึ้นมาคำถามจากคุณอิธิศัก์นะครับช่วงใจเราสะอาดปราศจากกิเลสจิตใจสะอาดวิธีรักษาและคองให้คงไว้ตลอดไม่ให้กิเลสทางใจเข้าแทรกอีกควรทำเช่นไรครับอ๋อกิเลสแล้วห้ามแล้ไม่ได้ล่ะ เราต้องให้มันแทรกแล้วเราจะได้ใช้ปัญญาข้ามมันอย่างที่สอนเนี่ยเวลาโลภอยากได้อะไรก็บอกว่าทุกเนื้อได้มาแล้วมันทุกเนื้ยอยู่กับความสงบนี่ดีกว่าไม่มีอะไรจะดีกว่าความสงบทุกครั้งที่โลภอยากได้อะไรก็ตัดมันไปด้วยปัญญาเราเราไปปิดกั้นมันไม่ได้ถ้าปิดกั้นมันก็ยังจะโผล่มาเรื่อยๆ เ, เช่นเราพอมันจะโลภเราก็พูดโทพูดโทไปก็หยุดเดียวเดียว เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่วิธีที่จะไม่ไม่ไม่ไม่ทำไม่ให้มันกลับมาใหม่ก็คือต้องใช้ปัญญาบอกว่าอย่าไปทำตามมันแล้วเลิกทำให้หยุดทำที่หยุดด้วยพุโทโธก็ได้แต่ต้องให้รู้ว่าหยุดทำไมหยุดเพราะว่าการทำนี้เป็นการทำไปสร้างความทุกข์ให้กับเราทำให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆมันมันต้องใช้ปัญญาถึงญเลอกเ ล, อ ก, เลอกได้อย่างถาวร ถ้าเพียงแต่ใช้สติพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็กลับมาอยู่เรื่อยๆแต่ถ้ารู้ว่าเลือกนี้เลือกเพราะอะไรเลือกเพราะว่าการทําตามความอยากเป็นเหมือนกับการไปดื่มยาพิษอย่างเงี้ยพอเรารู้เราไปยินดื่มยาพิษเราก็ไม่ดื่มแล้วทุกครั้งที่เราอยากจะดูอยากจะฟังอะไรนี่เหมือนกับการไปดื่มยาพิษพอรู้อย่างนี้แล้วต่อไปเราก็ไม่ไม่ไม่อยากมันจะมาชวนเราเราก็ไม่ไปละ คำถามจากคุณอุอิศนะครับการนั่งสมาธิในบ้านกับการทําบุญทําทานข้างนอกได้บุญเหมือนกันหรือต่างกันคะ อ, อ๋อ ม, ม, มันเป็นบุญคนละอย่างไงทำบุญทําทานมันก็ได้บุญอย่างหนึ่ง <Okay. S 2> ได้ความสุขใจเหมือนกันได้ความสงบเหมือนกันแต่น้อยกว่าแล้วประโยชน์สิ่งตอบแทนที่จะได้รับก็ไม่เหมือนกันเกิดทาบุญทําทานถ้ายังกลับมาเกิดใหม่ก็จะได้เคาสิ่งของต่างๆ ท, ที่เราทําไปนี้กลับมาหาเรา แต่ถ้านั่งสมาธินี้เราก็จะได้ความสงบความสุขที่มากกว่าแต่เราจะไม่ได้เงินทองเข้าของเวลาที่เรากลับมาเกิดใหม่แต่เราก็จะไม่ต้องการอยู่ดีเพราะคนที่นั่งสมาธิเพนก็ไม่ต้องการจะได้เงินทองถ้ายังต้องกลับมาเกิดใหม่ก็จะกลับมานั่งสมาธิต่อคำถามจะคุณเดียนะครับการรักษาจิตในชีวิตประจาวันอย่างไรครับ ก็นีรักษาด้วยสติไงพุทโธพุทโธคอยควบคุมความคิดเพราะความคิดของเราเป็นตัวสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้กับเราตอนเมืองต้นนี้ต้องหยุดความคิดให้ได้ทำใจให้สงบให้มีความสุขให้ได้แล้วขั้นต่อไปเวลาคิดก็ถ้าคิดไปทางความอยากก็ใช้ปัญญามาสอนใจว่าอย่าทำการทำตามความอยากนี้เป็นการเหมือนไปดื่มยาพิษ ทำให้เราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆคำถามต่อไปแปลกหน่ยนะครับจากคุณมอนคำนะครับจะใส่บาทด้วยดักแด้ตัวใหม่ได้หรือเปล่าคะถ้าเป็นอาหารก็ได้ทั้งนั้นอ่ะขอให้มันตายก็แล้วกัน อ, อ่ะแต่อย่าไปฆ่ามันนะถ้าเราอยาํทำอาหารที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตนี้ไปซื้อของที่มันตายแล้ว อ, อ, อย่าไปฆ่ามันเพราะว่ามันจะขาดทุนมากกว่ากาไร ทำบาปเพื่อมาทําบุญนี่มันขาดทุนเพราะบาปนี้มันมีโทษแรงกว่าบุญที่เราจะได้รับเช่นไปขโมยเงินมาแล้วเอาเงินมาทําบุญนี่มันมันมันมันยังต้องไปใช้หนี้ตนองไปไปอบัยอยู่ยังถ้าไม่มีเงินทําบุญก็ไม่ต้องทําทำอย่างอื่นแทนรักษาสืนแทนหรือรับใช้คนอื่นแทนก็ได้เช่วยเหลือคนอื่นอย่างไม่ผู้หญิงเมื่อกี้บอกว่าเวลาไปวัด มีความสุขจากการไปช่วยกันเก็บเสือ้อเก็บอะไรนั่งถ้วยนั่งชามบางคนก็ไม่มีกำลังทรัพย์เขาก็ใช้กำลังกายทำก็ได้ได้ความสุขได้บุญเหมือนกันจะคุณคกิจกรนะครับตาเห็นธรรมหรือเห็นจิตคือตาเห็นดวงจิตหรือจิตเราเห็นกายปัจจุบันครับอ๋อคำถามอันนี้เป็นคำถามที่เพิ่งเจอ จินตนาการปฏิบัติไปเถิดพุทโธไปอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวเห็นแล้วมันจะรู้เองเห็นอย่างไรก็เรียวกว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นอธิบายไปยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะตาในมันยังปิดอยู่ต้องเปิดตาในวิธีเปิดตาในก็ต้องปิดตานอกนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธเดี๋ยวก็สว่างขึ้นมาข้างในเดี๋ยวก็จะเห็นตัวรู้ขึ้นมาเห็นอะไรต่างๆที่เราแลที่เรากําลังคิดกันอยู่นี่ จากคุณนาลาครับพระสร้างสิ่งก่อสร้างได้ไหมครับปิดวิัยไหมครับเพราะเหตุใดอ๋อการสร้างสิ่งก่อสร้างนี้ถ้ามันมีเหตุจําเป็นก็สร้างได้เช่นไม่มีกุฏิอาศัยอยู่นี่ก็สร้างได้หรือถ้าจะเอาแบบโขดโขดแบบสมัยพุทธกาลก็ไม่ต้องสร้างมันอยู่ตามโคนไม้หรือทํากระสอบแบบง่ายๆเอาใบมุ้งใบไ ม, ม้อะไรมาทําเป็นเพลงพอหลบแดดหลบฝนได้ พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระภิกษุมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการสิ่งปลูกสร้างมากเกินไปแต่ถ้ามันมีความจําเป็นเช่นเนี่ยต้องมีศาลาเนี่ยเพราะถ้ามีญาติโยมมาทําบุญมาฟังเทศน์ฟังธรรมมันก็ต้องมีถ้าไม่มีก็อย่างที่เราทํำกั น, นก็นั่งอยู่การนี้แต่เวลาฝนตกตีก็ต้อง <c oughs> ย้ายที่กันอืราฉะนั้นผู้ตามความจริงแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้สร้างอะไร ให้สร้างพระในใจเราให้เราสร้างศีล ส, สมาธิปัญญาขึ้นมาแต่เรื่องกุติสาราบุตนี้ส่วนใหญ่เกิดจากศรัทธาของญาติโยมที่ยังไม่สามารถที่จะออกบวชหรือปฏิบัติได้แต่อยากอยากจะได้บุญก็ทาได้บุญจากการทำทานเนี่ยด้วยการสร้างกุติสร้างวัดอะไรต่างๆถวายให้กับาศาสนาต่อไปฉะนั้นพระจริงๆนี่ไม่ไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับการก่อสร้างเลย โดยเฉพาะผ้าที่ยังศึกษายังปฏิบัติยังไม่หลุดพ้นเนี่ยควรที่จะเอาแต่การปฏิบัติเป็นหลักจะดีกว่าถ้าจะมีการก่อสร้างก็ปล่อยให้ผู้ที่เขาหลุดพ้นแล้วเขาไปสร้างกันถ้าคนยังไม่หลุดพ้นนี่อย่าไปสร้างมันจะเหมือนกับเด็กมหลาลัยที่ไม่ยอมเข้าห้องเรียนไปทํากิจกรรมนอกห้องเรียนเรียนไปกี่ปีก็ไม่จบสักทีเพราะมัวแต่ไปทํากิจกรรมนอกห้องเรียน ถ้าดอดยังเป็นนักเรียนอยู่เข้าห้องเรียนไปไปทำเรียนให้ให้ได้รับปริญญาก่อนพอได้รับปริญญาแล้วออกไปทำงานมีเงินอยากจะมาช่วยเหลือสังคมช่วยเหลืออะไรก็ทำไปได้แต่เบื้องต้นนี้ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนต้องเรียนให้จบก่อนเรียนให้จบจะได้มีความรู้ไปหาเงินหาทองพอได้เงินทองมาแล้วก็เอามาช่วยเหลือสังคมต่อไปเหมือนพระพุทธเจ้านี้ท่านก็ปฏิบัติก่อนหกปีด้วยกัน เข้าห้องเรียนอยู่หกปีเนี่ยพอเรียนจบแล้วทีนี้ก็มาเป็นอาจารย์สอนอีกสี่สิบห้าปีเนี่ยนี่คือเรื่องของหน้าที่ของนักบวชเรื่องต้นต้องศึกษาริ่เรียนปฏิบัติให้บรรลุบรรลุเสร็จแล้วก็ค่อยมาสั่งสอนผู้อุ่นต่อไปมาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวัดสร้างอะไรก็ได้เพราะว่ามันจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ายังไงก็ได้ปริญญาอยู่ดี จะสร้างไม่สร้างเป็นปริญญาก็ได้แล้วแต่ถ้ายังไม่ได้เป็นปริญญาโมแต่ไปสร้างมันก็ไม่มีวันที่จะได้ปริญญาเสียทีแล้วพอตายไปก็หมดโอกาสกลับมาเกิดใหม่อาจจะไม่มีาศาสนาพุทธมาคอยสอนเราก็ได้อย่างตอนนี้ถ้าเป็นพระเป็นนักบวชก็ทำหน้าที่ของพระนักบวช ด, ดีกว่าคือสร้างพระในใจสร้างวัดในใจสร้างนิพพานขึ้นมา พอสร้างเสร็จแล้วก็ที่ถ้ามีความจําเป็นจะต้องไปสร้างวัดก็สร้างได้ถ้ามีญาติโยมมาสนับสนุนเอยากจะให้ช่วยสร้างวัดก็ไปบอกเขาวิธีสร้างวัดที่ถูกต้องว่าควรจะสร้างอย่างไรก็ทําได้วันนี้พอเท่านี้ครับอาจารย์เออก็มากเหมือนกันนะสาธุเนี่ยก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนํำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิจารณาไปปฏิบัติ